กุพมาเปรียกเหมือนกับตน้นไม้ต้องมีเครื่องเปียบเครื่องเทียบสำหรับไม่เทียบกับการปฏิบัติของเราถ้า ง, งานนั้นจับไม่ถูกกียเลตของคนที่แต่คนละคนนั่น ที่จะต้องชำระสัดสางกันมีหลายอย่างหลายเรื่องต้นไม้เหมือนกับต้นไม้คนเราเอาและต้นเข่าทึะเปรียบต้นเข่าต้นเข่ามีเม็ดเดียวมาปลูกลงไปในโคนในดินแล้วถ้าขาจินน่นงาม มันก็แพร่หลายไปหลายต้นในหลายต้นแล้วก็มีหลายลวงมันแพร่ไปเป็นหลายลวงเม็ด เ, เข้าเม็ดเดียวเนะี่ยก็แพร่ไปหลายลวงเม็ดไม้แจกไหนก็ไม่ทราบแต่ก่อนนั้นไม่มีใบก็ไม่มี เอาไว้ถูกน้ำถูกโคนเขาแตกออกมาเป็นห น, อน่อเนง่ครับล้ก่ก็เป็นต้นเป็นลำเึ้นไปนังมีน้ำซ้ำเมื่อดินดียังแตกขยายไปหลายต้นนี่ก็เป็นต้นเป็นรวงขึ้นมารวงไม่ออกไม่ทราบออกไว้ทางไหน จนกระทั่งเป็นลวงแก่ขึ้นมาถ้าไปรวมเนาะเม็ดนั่นอีกบรรดาต้นทั้งหลายลากทั้งหลายใบทั้งหลายไปรวมมันในในเม็ดเดียวแล้วเนะ่เก็บไว้มันเก็บเองแล้วก็เมื่อเขาจะไปปลูก แล้วต้งอาเม็ดเขานะนะั่นแหละแต่ละเม็ดไปว่านะน้ำต้องคนแล้วก็เป็นรากเป็นต้นออกมาอีกแพร่ขยายออกไปจะเป็นรวงจนกระทั่งเป็นเม็ดเม็ดแก่แล้วก็เก็บไว้ให้มด เจคิรต ข, ของเราไม่เหมือนั้นคนเรานั้นเมื่อยังเด็กยังเล็กอยู่เมื่อเกิดมาใหม่ๆก็มีอารมณ์มอะไรรอกมากมายทั้งแก่มาแล้วเติบโตขึ้นมารู้จักเพราะว่าเรียนสาทั้งก็ทํางมีครอบครัว เรื่องกิเลสค่อยขยาย อ, อ๋อขยายออกแต่ก่อนไม่อยากได้ฉันเติบโตขึ้นมาก็อยากได้อยากดีอยากเด่นงานนั้นเข้าก่อนอยากได้มากมายขึ้นอีกไม่ใช่ได้เพื่อตนเพื่อปากเพื่อท้องของเราอย่างเดียวเพื่อครอบครัวไปอีก ข่วงข่วงออกไปเพื่อลูกเพื่อหลานนอกจากนั้นอีกการอยากได้น่ะไม่ใช่เพื่อลูกเหลานเท่านั้นแต่อยากได้มากมายไม่ทอาบ เ, เพื่ออะไรแก่ไม่อีมมอมอ่มไม่พอความอิ่มไม่พอ ขยายไปกว้างขวางให้พอที่สุดจนแก่จนเ่าจนตายแต่ความอิ่มความพอไม่ทเทศนาว่าความอยากความไม่อิ่มไม่พอของคนมันเหลือล้นโลกในใชายเพียงโลกนี้นะมันเหลือล้นไปอีกมันมากยิง่งกว่ามาก ไม่เหมือนกับต้นเขา่าต้นเข้านั้นแก่มาแล้วรวมไปรวมเก็บไว้ในเม็ดเข่าเม็ดเดียวนะ่ะตน้นลากต้นล ะ, นละรวมเอาไปรวม ม, มัดเม็ดเดียวเท่านั้นเนะ่ชาแนลก็ต้องเมื่อแก่มาแล้วเอามารวมกัน ไ ป, ไ, ไปยงไ้สั่งก็สบายใจเลยการที่ขยายเหตุการที่รวมไม่ได้นนั้คนเรามันรวมกิเลสมันรวมไม่ได้ไม่เหมือนต้นเขา่าต้นเข่าเนี่ยเป็นตัวอย่างทีดีที่สุดแล้วปฏิบัตรรริทม ให้เป็นอย่างตนเขาเรากำหนดพิจารณาที่มันขยายค่วงควงออกไปด้วยกิเลสอารมณ์ข่ ว, มวงมันส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลินทางกายแต่และ อย่างละอย่างนี้มากมายเลยที่จะพัานานะคิเลมันมากเหลือเกินตาเห็นอยากได้ชอบโปกชอบใจยินดีพอใจไปปรุงไปแต่งไปปรุงไปแต่งไปเยืะอจะเอาไปตาเห็นอะไรถ้าหากว่าจะขยายเป็นต้นเขา ปลูกตั้งเก้าปีสิปีมัน <c oughs> ตั้งรอ้อยปีก็ปลูกอย่างนั้นนะปลูกมันก็ขยายก้วงออกไปสิเมเ็เมเดม เ, เข้าเม็ดเดียวเม็ดเข้าเม็ดเดียวนี่ย น, นะขยายก้วงขววงธากิเลสเราเปียบอย่างนั้นนะถ้าจะเปียบอย่างกิเลสไม่ใช่นะ คำที่ว่าเมดเดียวมังขยายออกไปนะไม่ใช่ของอันเดียวนะความรักความชอบความยินดีนยินด้ความโกรธความหลงมีครบหมดไอ้แต่ละอย่างแต่ละอย่างรูปเสียงกลิ่นรสกวามความมีครบหมดบริบทมีเน้นๆหมดความรัก ความโกรธเกิดจากความรักภัยยังหลายเกิดจากความรักความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักมากมายความหวงแหนความยึดความถือรุงแต่งระบัาลทุกอย่างเกิดจากความยึดความถือมากมาย อยู่รูปอย่างเดียวเสียงกิน่นรสโผฏฐะทั้งหกอย่างโอ้โหยมากมายเหลือเกินความทั้งหลายแล้วนั่นแ่ะที่มันค่วงขวงอถ้าเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมมันสรุปรวมควงลงไปได้มันออกไปจากไหน อันออกจากใจใจตัวนี้ออกเป็นเหตุจับใจตัวนั้นได้แล้วมันรวมเข้ามาเหมือนกับเม็ดเข่าเม็ด เ, เข่ารวมเข้ามามาอยู่นั้นมดลากทนใบได้รวมอยู่ในเดียวกันมดเวลามันออกไปมันออกไปจาก อันนั่นแหะจากใจนั่นแหละผู้ดี่ึชื่อละถ้ามีอุบายปัญญาในขณะที่มันรวมขอม้อมไม่เห็นหรอกไม่เห็นรากไม่เห็นต้นลําไม่รวมหรอกมันรวมรอะไทีน่ะมันต้องขยายออกไปยังค่อยเห็นมันแตกกิ่งก้านสาขาไป ยังค่อยเห็ น, ม, นมันเป็นอะไรต่ออะไรต่างในขณะมันรวมไม่เห็นเพื่อจิตชำระก็ต้องชำระในเวลาที่มันขยายกว่านันะ้ไม่เชื่อชำระในเวลาที่มันรวมเพื่อนอย่าไม่สามารถจะยังรู้ทั่วถึงได้เมื่อมันรวมเข้ามาแล้วนั้น เคนาของยัดไม่ได้ท่านผู้วิเศษท่านผู้เชี่ยวชาญฉลาดในเมื่อมันรวมเข้ามาแล้วมันอยู่ในที่เดียวหรอสนุกชมปะสาสาังไม่ต้องไปแําปละที่อื่นอยู่ในที่เดียวมดโรคก็อยู่นั้นโกรธก็อยู่นั้นหลงก็อยู่นั้นรักก็อยู่นั้นชังนก็อยู่นั้น ที่จะชำระจะชำระได้ที่นั่นน่ในหมดโจทยด้ริสุทธิ์ตรงนที่นั่นนี่ ย, ยอนเอ่เรามันไม่มีปัญญาฉลาดเพียงพอจึงต้องชำระในเวลาที่มันเป็นต้นเป็นลำตัดมาเสาะถอนมาเสาะ มันก็ดับได้เหมือนกันถอนแล้วลากทิ้งแล้วก็ดับได้เหมือนกันธรมาจะหากว่าถอนไม่ได้มันจะไปก่ออีกเลยมันจะเป็นเหมือนกับต้นเขา่าว่ามันหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว แวลตกถูกดินถูงน้าเขางอกออกมาขายายเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาอีกเวลาเป็นต้นเป็นลำเป็นรวงขึ้นมาแล้วโอ้ยยิ่งมากกว่เาเก่ามเด็ดเดียวตั้งร้อยร้อยเป็นพันมาเด็ดเพรางนั้นเนาราจึงให้มีสติควบคุมตัวนั่นแหละตัวใจนั่นแหละ ไว้ห้แน่นหน่ะเมื่อมันออกไปก็เรียกว่ามันแตกมันทรงสรายไปมาทั้งทุกเอทั้ง ต, งต่างๆนั้นก็เรียกว่ามันแตกเป็นกิ่งเป็นง่าออกไปเราพิจารณาชำระสาสางด้วยเหตุที่มันไม่มีทิ่สิ้นที่สุดมันเป็นโทษทุกทําให้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 หมดแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งเป็นกลางอยู่รักษาความเป็นกลางมันไว้ถ้าหายมันไม่หมดมันก็ต้องออกไปอีกเอามพิธี ก, กับชำระเป็นอย่างนั้นแหละอีกอยู่เสมอเสมอเพราะกิเลสมันหลายชั้นจำเป็นจะต้องชำระมันเสมอ จะต้องมันควบคุมอยู่ทุกเมื่อทีอ น, นี้เราเข้าใจว่าละเอียดแล้วเราเข้าใจว่าเรารู้แล้วแต่อีกที่หลังมันยังรู้เข้าไปเพ่อนั้นอีกม่เอียดเข้าไปเพ่อนั้นอีกมันไม่มีที่มันไม่ไม่สิ้นสุดเพียงแค่นั้นทำลายได้อย่างนี้อยู่เสมอเสมอ ก็จะเป็นคุณประโยชน์ยิ่งถ้าหากว่าได้ครั้งนึงแล้วเราพอแล้วยินดีแล้วพอใจยินดีก็เพียงเพียงแค่นั้นเข้าใจวาบริสุทธิ์หมดจดที่หลังมันไป้ถูกดินถูกน้ำเขา้าประสบอารมณ์คือดินน้ำมันถูกดินถูกน้ำคือประสบอารมณ์อารมณ์ที่ให้โกรธ อารมณ์ที่ให้รักให้โกรธให้ยินดีให้ยินรา่มันจะฟุงขึ้นมาอีกผู้ที่ทำความเพียรภาวนาต้องพยายามอยู่อย่างนี้ตลอดเวดาลาเราเกิดมาไม่ใช่เกิดชาติเดียวนับคบเราชาติไม่ถวนเกิดมามันซ่าสมกิเลนเามากมาย กิเลสคือกรรมกรรมดีกรรมชั่วเราทำมามากมายแต่ความดีมันน้อยความชั่วมันมากเราตั้งกต ด, ดูในเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งมันคิดอะไรปะมันคิดจะรวมได้อย่างอธิบายมันนี้มีไหมโดยสมากไ ม, ม่นั่งทำกองเพียรตั้งหล า, ลายปีมันก็ไม่รวมให้ มีเรมพุ่งอเรื่อยไปสแสดงว่ากิเลสเราล่ะมากกว่ามากกว่าสมาธิเห็นนะยังต้องพยายามวันหนึ่งทีหนึ่งสักหรือสองปีได้สักครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชำระได้ละครั้งหนึ่งเข้าถึงจุดรวมได้กันมากกว่าชำระได้ละ มันจะค่อยเบาบางไปเราช่างหน้าใดๆก็มีดิฟุงร้านอยู่ตลอดเวลาหาทฤษฎีตัวอยู่ตลอดทุกเมืออไม่ใช่ของง่ายๆการทำควาเปลีป่ยนพวามหนานไม่ใช่ของง่ายๆแต่ไม่ใช่ของยากหรือ้วิสัย พกพยายามทำต้องสำเร็จวันหนึ่งถ้าไม่เป็นไปเปรนควมรู้สึกของฉันแล้วพระองค์ไม่สอนแต่ไว้าอาศัยฝานานานช้าหน่อยห า, หากว่ามีแต่กรรมชั่วมีแต่กิเลสล่มไปไม่มีเวลาคนในสักที แต่เราต้องการอยากแก้ไขความสุขแกแก้พ้นจากทุกอยาก้พ้นจากกิเลสแต่เราทะสมกิเลสไม่ใช่ชำนากิเลสทางชำนากิเลสต่างหากเป็นความสุขอะไรการเสชำนาญกิเลสการทําทางเขาเรียกวิาชาหนะกิเลสเบาบางแลครับส่วนนี้ส่วนนี้ก็เบาบางไป เปลือกเปือกตื้นๆ น, นี่ครับคนที่ทําบุญนำทานเกิดความเพื่มปิติอีกกว่ามยินใจความโลภความโกรธก็หายไปอยากความโลภอยากได้มาทำบุญนำทานทมากๆแต่ความโกรธมันก็หายไปความยินดีคอยใจเรื่องใสในการทําบุญเรียกว่ามันเบาบางไปแล้วนะ่ะกิเลสมันนากไปแล้วตอนนี้ยังอยากอ ย, กอยู่ เชื่อกรรมเที่ยฝนต้อกรำแล้วรักษาสินและควมชั่วเสียและควมชั่วห้าข้อก็ดีความชั่วแปดข้อเออพิจนาที่แปดเราชำระได้พิจาณาถึงเรื่องความชำระของเราได้สินข้อนั้นเราก็ละได้สินข้อนั้นเราก็ ลได้ 3, 4, สามสี่ห้าข้อถึงสร้างแปดข้อเกข้อหรือสิบขอ้อสองร้อยิบเจ็ดข้อนนั้นเราชำระใจของเราที่จะให้มาตั้งมั่นอยู่ในศีลไม่ใช่ของง่ายๆเราตั้งมั่นอยู่ในศีลไม่ใจกของง่าย ของยากที่ทำได้น่ะที่เราทำได้เนี่ยว่าจำละความชั่วของเราไปล้วก็เสี่ยวพบาบางไปทำสมาธิภาวนาสงบเยือกเย็นเห็นความสุ ข, ขละความชั่วความเร็วสายตามขโมลไว้ได้ มีความสุขอยู่ขันนั่งก็เรียกว่าชําละกิเลสไปแล้วค่อยหมดไปหมดไปส่วนปัญญาที่จะชําละกิเลสก็เคือบชําละมาตเบื้องต้นแนละ้ตัวปัญญารู้จักทาบนญทำทานชําจากข้าเป็นมีความอ้อมอาลีนักษามีหการมีการเห็น กราร เ, เชื่อกำเสพผลของกรรมนักษาสิ้นาที่แอันนั้นเป็ตัวปัญญาทํำสมาธิเพราะนัยสงบนิ่งแน่วได้พิจารณาชำาระกิเลสทั้งปวงหมดละถอนไปโดยดุลดำ ด, ด, ดจนกระทั่งยังเหลือที่จิตอันนั้นก็เป็นการชํำระกิเลสตัว ปัญญาตรงนั้นหากว่าปัญญาวิจารนาแก่กล้าอันที่เรียกว่าปัญญาธรรมดาตามันทั่วๆไปนั้นอันทิว่ามันนั้นปัญญาพัฒนาแก่กล้าจริงๆอะจังพิจารณาเรื่องจิตคิดนึกสิ่งใดของผมมดมันลงอันอตรายทุกครั้งหน้าตาเลยไม่มีทางไป หมดทั้งไปไหนมันเะกิดลงอันนี้อย่างทุงกหน้าตาลงเองกกระตาธรรมเอกกระตาจิตอันเดียวแต่แท้นั่นคืเรียกว่าชำระใจแต่ว่ายังนะมันยังวะทาันจิ้นสุดก่อนเพียงชำระเทานั้นก็ยังไม่พีไม่มีที่เย็นสุดแต่เป็นท้นทางแล้วนะ่ะถูกทางแล้ว ทางจะสำเร็จมากกว่านี้ฟังแั่ทางนี้แหละเรื่อนนิจังทุกขงังต่างส่วนปนะัญญาส่วนวิเศษนะั้นนของเป็นเองหรอบไม่ใช่ต้องไม่ไ ม, ไม่ใครแต่งหรอกมันน้าเกิดเองกัเนเองธรรมาของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเป็นของอศัศจรรด้วยเหตุที่เป็นเองน่แหละ แค่นี้เราจะตัดต้นมันต้องหาเงามไวะก่อนไปนตัดปลายไม่ไม่มีที่จินที่สุดตัดต้นไม้ไปตัดปลายมันไม่งะไม่มีที่จิ้นสุดต่มันมออออกไปอีกตัดเงาคุดเงาถุดมันยังค่อยตาย เราต้องค้นหาตัวใจมันเก่อนตัวใจแท้นะมันตรงไหนกันใจยังเป็นตัวการที่คิดที่นึกส่งไปเรียกว่าจิตฉันจิตเน่นมันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกมันเป็นเหตุเนี่ยเกิดกิเลสมากมายหลายอย่างมันมีที่สินที่สุด อธิบายมาทั้งเรื่องความทะเยอะทะยานที่ล้นอย่างแน่นอนอย่างนี้ก็ไม่มีสิ้นสุดมันก็ออกมาจากใจเลยจนะนค้นหาตัวตุจแต่อธิบายมาหลายครั้งเลยะวะโดยใจคือตัว ก, กลางอยู่ได้ว่ากลางมันต้องมีสิ สิน Al Percy, need, ่นปวงมดต้องนองี้มันต้องมีต้องมีตัวกลางกันเนี่ยมีดีมีชั่วมันก็ต้องมีไม่ดีไม่ชั่วมีสุขมีทุกข์มันก็ต้องมีสิ่งนั้นไม่สุขไม่ทุกข์มีบาปมีบุญมันก็น ต, mm นต้องมีสิ่งที่ไม่บาปไม่บุญมันนี้คิดมีนึกมันต้องมีผู้ไม่คิดไมอนึก เ ร, จ, เรจับตัวนั้นได้นอกจากตัวนั้นได้ก่ถ้าหากมันไม่ทันจับเบื้องต้นไม่อยู่เอาอนาฝานุสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเอาตัวนั้นไปตัวกลางๆนะไว้ที่ลมหายใจหรือตัวกลางๆเอาไว้ที่พุโทโธก็ได้บให้มันอยู่ มันเมื่อมันมันไม่อยู่กับพุทโธหรืออนาปานสติควบคุมไว้สติที่นึกว่าพุทโธหรืออนาปานสติมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยแนวแน่อยู่กับของอย่างนั้นนะอย่างเดียวนั้นนะไม่ส่งไปส่งมาหนักอ่ะเทานั้นเป็นเครื่องผูก ถ้ายัางมันยันอยู่ก่อนนั้นเราผูกไว้สิ่งของมดที่มันเป็นอะไรต่างๆถ้าไม่อยู่เอางั้นเนี่ยผูกไว้ถ้าหากมันอยู่แนวเนี้ยแล้วคราวนี้เราเปิดอิสระเนื้อสิ่งทั้งหลายขอ ง, ของมดถ้ามาอยู่เราไม่เป็นอิสระเป็นธาตุของความคิดของนื้น ถ้าเป็นนิสสระอยู่ของที่แล้วสบายนิสสระมันต้องสบายดีก็เป็นธาตุของเราเรากำหนดคุตโธหรือนาปาะสถิตให้อยู่ในที่นั้นอยู่ได้นะแสนทางให้อยู่นี่แหละให้อยู่ซะก่อนคนเรามากอยากจะได้อยากจะได้เร็ว เดี๋ยวดาวนะ์นะถึงตรงนั้นนก็เอาละหรือว่ามันอยู่แล้วก็เอาละเลยไม่ไม่อยากพิจารณาอีกมันกลับคืนมาของเก่าของไม่หมดไม่สิ้นมังจะกลับคืนมาของเก่าอนี้เอาชำระกันจนหมดสิน้นแล้วก็พยายามรักษานันไว้ทั้งสติรักษานั้นอยู่ตลอดเวลา ที่มันรู้ตัวสติเป็นผู้คุมสัมปชัญญะผู้รู้ตัวรู้เรื่องต่งตางอันนั้นเป็นตัวปัญญาเราก็คุมอะไรว่าเราพิจารณาอะไรจิตมันส่งไปทางไหนมันไปติดอะไรมันรู้ตัวอยู่นะอันนั้นตัวปัญญาตามรู้ตามเห็นนั่นเรียกปัญญา ทำให้มัน่นคงสติให้มั่นคงแน่วแน่เต็มที่สิ่งที่เราปริกรรมอยู่หรือพุโทโธก็ ด, หหดีอนาปายสติหายหมดยังเหลือแต่สติตัวเดียวสติกับใจตัวเดียวสติปัญญากับใจ ส, สติก็ออกจากใจปัญญาก็ออกจากใจรวมว่าเป็นอันเดียวเลยค่ะนี่ ไม่ได้ออกไปข้างนอกตีกว่านั้นใจกว่านนั่นปัญญากว่านั่นตัวไมันมาในเขี่ยวเลยอย่างนี้เราเรียกว่าเม็ดเข้ามารวมมันเก็บเอาลากเอาต้นเอารำมารวมในเม็ดเดียวเมื่อเราเค่อยยีด่ดนะมันแตกค่อยยี่ให้มัน ทำลายไปมันก็ดับตรงเลยทีนั้นถ้าไม่ขยี่ไม่ทำลายมันก็จะไปงอกขึ้นไปอีกอา้าวทำเพรานะนาศ